ท่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> วันนี้อาจมาก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวในตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัธธสพระธรรมเทศนาเรื่องของพระเวสสันดรชาดกแต่ว่าการที่ พูดกันถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดกนีอาจะมาจะของวดเวสสันนิดหนึ่งเพราเรื่องของนงเมืองกรุงรัินพัฒ์มหานครที่มีความสำคัญยังมีอยู่จุดหนึ่งถ้าจะเข้าเรื่องพระเวสสันดรเสียจริงเรื่องสำคัญตอนนี้ก็จะผ่านไปไปที่หน้าชิ้นดยอย่างยิ่ง ใอความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกมาสู่มหาพิเนศกรมในข่าวนั้นก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระภุทธกวนหนีเข้าออไปความจริงมไม่เดินลาออกไปเป็นการหนีหนีก็หนีทั้งหมดหนีพ่อหนีแม่หนีเมียแล้วก็หนีโลก มีทุกคนที่มีอยู่ในนั้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระพระเกวันไม่ได้ลาใครสักคนหนึ่ง <c oughs> แต่ในขณนะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสร็จก็ด็จออกสู่มหาพิเนสกรมตอนนั้นพระองค์ตัดใหญ่คำว่าตัดใหญ่ในที่นี้ก็หมายความตัดกำลังใจครั้งใหญ่ที่สุด <c oughs> นั่นก็คือตอนวันนั้นพระองค์อยู่ในพระราชโอทยานมีคนพนักงานคือเจ้าพนักงานมาแจ้งว่าเวลานี้พระพิมพาราชเทวีประสูตรพระราชโอรสปรากฏว่ามีรูปงามเหลือเกินตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัท ลูกเพื่อจะออกในวันนั้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระพระเกอวันก็ทรงมาดําบิ <c oughs> ข่าวการคลอดพระราชโอรสประสูตรพระราชโอรสเขาพระนางพิมพาจัดว่าเป็นห่วงอันหนึ่งที่ทรงจัดว่าปุดตังคีเวเป็ น, นั้นว่าขึ้นที่ว่าห่วงลูกแต่มันผูกคอ เวลานี้ห่วงที่สามได้เกิดขึ้นมาแล้วคือห่วงลกูกตามธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงตัดห่วงไว้สามห่วง <c oughs> คือหนึ่งปุตตังทีเวห่วงลูกผูกคอสองทนา น, นปาทีการห่วงในทรัพย์เหมือนกับเอาของมาถูกผูกคอท้าไว้ไปไหนไม่คขาจะได้ ข้อห่วงทรัพย์สามพระยาหัดเถีการห่วงสามพัญญาชื่อว่ามันหนักอยู่ที่มือต้องทำงานมากเ <c oughs> จนนันวันนั้นมา อ, องค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าทราบว่าพระราชโอรสเกิดยังได้สนัดว่าโอ๋หนอห่วงใหญ่เกิดขึ้นแล้วปุดตังคีเวห่วงลูกปู้คอเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> แต่ได้ว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระบัณีแก้วได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไข่กับแสงกลับมีพระพุทธประสงค์ตรงโดยเฉพาะว่าตั้งใจจะรื้อสัว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารคือการเวียนต้าว้ยตายเกิดเพื่อหวังพระนิพพานเป็นที่ไป อยงนั้นองสมเด็จพระจอมไตรบริมศากดิสนดาจะได้ตัดสินพระไทยว่าลูกจะออกวันนี้หรือว่าลูกจะออกวันไหนถ้าไม่สำคัญ <c oughs> สำคัญที้เราจะคิดว่าการห่วงคนดีหรือว่าห่วงมนุษย์ทั้งโลกดีเป็นอนว่าองค์สมเด็จพระจินดาสีบริมศากสนดาก็ทรงตัดสินพระไทย ว่าเราห่วงกำลังใจที่ไม่บริสุทธิ์ทำกำลังใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นของประเสริฐกว่าและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพันดาก็ทรงคิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์บรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณเมื่อไร <c oughs> โอรกาสหลังที่เราจะช่วยให้คนอังหลายที่อยู่เบื้องหลังซึ่มีความทุกข์ทั้งเราอยู่ ให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นการใช้นี่ความดีของเขาที่มีความห่วงใหญ่ฉะนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมิตรสันดาสมมาสมปติเจ้าจึงได้ทรงสเสด็จออกในคืนนั้นคือโดยไม่สนใจกับใครทั้งหมดแตยก่อนที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตจะสเสด็จออกไป ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จเจ้าจอมใจในเวลากลางคืนกอดเศษออกก็ย่องย่องย่องเข้าไปในที่ประทับเขาบ้านางพิมพาในตำหนักนั้นสมเด็จพระพุบธกวนเย่อยแย้มมั่นออกดูเห็นโฉมตรูพิมพาราชเทเวีกําลังหลับกกพระราหุลลูกน้อยอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบระมะครูก็ตัดสินใจว่าไปละ ลูกจะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงนี่ไม่สำคัญเราเห็นมีความสำคัญอยู่ก็คือพระโพธิญาณดังนั้นองค์สมเด็จพระพเกวันเจี้ยได้สเสด็จออกไปสู่มหาพิเนสกรม <c oughs> ในในตอนเช้าปรากฏว่าบรรดาคนน่าหลายไม่เห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสดาแต่ถ้าว่าในตอนยิน ทุกคนเห็นในฉันซึ่งเป็นสหาหชาติพระองค์สมเด็จพระบรมโลกรนาดนำเอาเครื่องทรงคือเครื่องแต่งพระองค์ขององค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภ่ะภายเจ้ากลับมาและก็ทราบว่าเวลานี้สิทธิ์ฐาราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระราชาแต่ความจริงจะเป็นพระเจ้าจากพระอิตย์เจ็ดวัน เวลานี้พระองค์ตัดสินว่าไทยทรงฟโนดเสร็จแล้วเมื่อนภนรนางพิมพาทราบพระองค์สมเด็จพระบะทีรแก้วออกไปบวชอย่างนั้นจึงได้ถามในฉันนะว่าสมเด็จพระพระกวนทรงเครื่องสีอะไรแล้วที่พระวรากายของพระองค์พระองค์ทำอย่างไงบ้างในฉันก็บอกว่าสมเด็จพระสุนทนเมื่อถึงที่แล้ว <c oughs> จึงได้จับประขันแก้วเข้ามาตัดพระเมา่ารีคือตัดผม <c oughs> ตัดผมแล้วผมที่มีอยู่ขดเป็นก้หนเหมือนกับคนโกนทิศัเนื่อหลังจากนั้นองสมเด็จพระพักกวันก็ส่งเครื่องที่ย้อมไปในน้ำฝาดเมื่อพระนางพิมพาทราบอย่างนั้นก็สั่งให้คนมาโกนผมบ้าง นางก็ส่งย้อมหนังผมรุ่งผ้าห่ผมผ้าในการย้อมน้ำฝาดบ้างต่อมาได้ทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัพพิเตเจา้าทรงทรมานพระองค์สเสวยพระกยาหารน้อยนางพิมพ์พาทราบข่าวก็ทำอย่างนั้นสเสวยพระกญาหารน้อยบ้าง <c oughs> ต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระพกรกกวันเข้าไปพักอเจดีย์โคนโพ นั่งสมาธิทำจิตสงบข้าวนี้ก็มาถึงพรนางพิมพาพนางพิมพารู้ว่าพระรูปเจ้านั่งขัดสมาธิโคนต้นไม้พนางก็อาศัยโคนต้นไม้ที่มีอยู่ในพระราชฐานเป็นที่เจริญสมาธิบ้างเป็นอันได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าทำแบบไหนพรนางพิมพาทำแบบนั้นทุกอย่าง อั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคู่บารมีกันมานา น, นักหนาะในการก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินนวรสุรมิสสะชันดาทรงสแสดงพระธรรมทีนาโปรดหมู่พระพยุญญาต <c oughs> มีสมเด็จพระราชาธิบดาทรงเป็นประธานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วก็ทรงจะลึกถึงพันนางพิมพา ที่เป็นคู่บารมีกันมานับตั้งแต่อนเนกนชาริคือตั้งแต่เริ่มต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงปรารถนาพระโพธิญาณพระนางพิมพาก็เข้าไปตั้งมโนวิธทานปรารถนากับพระ พ, พุทธเจ้าองค์นั้น ว่าขอเป็นคู่บารมีขขาองสมเด็จพระจินสีจนกว่าจะบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็พระเจ้าสุโธตนะมาราชแล้วก็พันนาสิริมหามายราชเทวีเวลานั้นก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดา ต่างคนไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นว่าขอเป็นพระพุทธบิดาขอเป็นพระพุทธมารดาขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็มีลูกชาวิตเด็กชายท่านหนึ่งเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระพุทธกันยองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ว่าขอเป็นพระราชาโอรสเป็นลูกติดตามนี่เป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า มีความเข้าใจและรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ายอดหญิงพิมพาราชจเทวีนี้เป็นคู่บาร ม, มีมาตั้งแต่ต้นจนอวสานแ <c oughs> ต่าการนองค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงมาสู่กรุงระวินาภาัตมหานาครเทศโปรดจอมบอพิธอนิสรรสมเด็จพระราชวินา ในตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปรากฏว่าพระนางพิมพาไม่ยอมมาฟังเทศมีความมีคนเขาเบิกราบทูลให้ทรงทราบเธอก็กล่าวว่าความจริงไม่คนเรียกว่าเธอนะเพราะเวลานี้ท่านเป็นพระรหัน์ทนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าในเมื่อพระรูกเจ้า เสเด็จมาถึงประเทศนี้แล้วและองสมเด็จพระบพิษแก้วก็รู้จักตำหนักในดีเคยอยู่มาก่อนถ้าองค์สมเด็จพระจินวรไม่มาปลดเราถึงที่เราก็ไม่ไปนี่เพราะใส่น้ําใจที่บรรนางมีความรักทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติแต่กันมาองค์สมเด็จโพระทรงสิัสดิโสภาเสด็จมา นางก็เกิดการน้อยใจว่าตำหนักนี้เคยอยู่ทำไมองค์สมเด็จพระบรมครูจรึงจะไม่มาเทศโปรดสอนเราถึงตำหนักเมื่อท่านไม่มาเราก็ไม่ไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศักดิสนดาทรงรู้น้ำบาไทยคขว่านางพิมพาดีสมเด็จพระจินาสีจึงได้ทรงตั้งใจ จะไปโปรดพนางพิมพาถึงตำหนักที่อยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงทราบว่าการไปคราวนี้พนางพิมพาอาศัยที่มีความรักความอะไรอยู่เดิมเมื่อเข้าไปแล้วพนางจะต้องเข้ามากอดที่ขาของพระองค์และก็พร่ำลำพันธุ์เร่องความทุกข์และความรักในอดีต จิตนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสตรีแต่ถ้าหาว่าถ้าเราจะห้ามพิมพาไม่ทำอย่างนี้การบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขกับแสงกลับความจริงแล้วพิมพาราชเทวีนี่ไม่เคยทำบุญใ้ตนเองเลย <c oughs> มีอย่างเดียวเราทำอะไรเธอยินดีด้วย ช่วยโมทนารอว่าปัตตาโนโมทนามา่หากว่าเราห้ามพิมพาไม่มาเกาะขาเ้าไสาเธอจะอกแตกตายไม่ได้เป็นอนาถผลเพืนอนุนว่าผลที่ตนได้ติดตามมาจะไม่เกิดผลเมื่อสมฤทธปพะทศสพลทรงตัดสินพระไทาย ว่าถ้าเรื่องอย่างนี้มันยเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจของเราไม่มีกิเลสแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบพิธีเ้วก็มีความไม่ประมาทให้ดูกันนะดูว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะก็มีความไม่ประมาทเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีกิเลสกิเลสไม่มี ความรู้สึกทางเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีถ <c oughs> <c oughs> ้าจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่เกรงใจโลเกียชนที่จะติถิเนินทาเพราะว่านินทาไปสังสาเป็นธรรมดาของชาวโลกถึงแม้ว่าถ้าจะกล่าวกันโดยทางธรรมจะมีผลไม่ใหญ่ แต่ว่าทางคดีโลกนี่ใช้มีผลใหญ่มากหรือบุคคลใดก็ตามที่ถูกดินทาว่าร้ายกว่าถั่วจะสุกก็งาาไม่กว่าเขาจะรู้ว่าคนที่ถูกดินทานี่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนดีดีไม่ดีชาวบ้านชาวเมืองก็หลงเกลียดหลงโ ก, โกโรธกันมานับเป็นเวลาหลมปี <c oughs> เรื่องท่านหลายอย่างนี้หวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังก็คงจะโดนกันมาแล้วทุกคนเป็นอันว่ามา อ, องค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบความเป็นมาอย่างนั้นยังเล้ทรงชวนพระโมคคันลาและภาษาดิบุตรสองท่านไปเป็นเพื่อนเพื่อเป็นพยาน ถำาม่าเป็นพยานในที่นี้ก็หมายความว่าให้ทั้งสองท่านนี้รับทราบไว้ด้วยจะได้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดของคนต่อภัยหลังเมื่อขณะที่เดินไประหว่างทางยังไม่ถึงตำหนักคำว่านางพิมพาราจเเทวีสมเด็จพระยินาศีจะได้งไมีพระพุท ธ, ธีกาจัด ก, กับพระนพระทั้งสองธนว่าสารีบุตรธมุคลา <c oughs> ถ้าเราทั้งสามเข้าไปในตำแหนักข้าพ่านางพิมพาถ้าพระนาง พ, ม พ, าาางพิมพาจะมากอดขาเราขอเธอทั้งสองจงอย่าห้ามแล้วเธอจงมีความเข้าใจว่าเวลานี้จิตใจคุณท่าถาคตถ็ตาไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าว่ามีความห่วงใยนพระนางพิมพาถ้าเธอทั้งสองห้าม เธอไม่มีโอกาสเข้ามากอดขาเธอจะอกแตกตายเพราะว่าการบำเพ็ญบารมีในการก่อนนันใายเธอไม่ได้ทำเองมีหน้าที่อย่างเดียวคือโมทนาความดีที่ตถาคตทำฉะนั้นผลแห่งการบรรุมรรคผลของนามพิมพาต้องเรื่องด้วยตถาคตจะหาทางปลุกปล้ำช่วยตัวเองให้บรรุมรรคผลนั่นเป็นไปไม่ได้ เมื่อพระทั้งสองมีความเข้าใจที่ความจริงท่านก็เป็พระอราหันต์ท่านก็เข้าใจเ <c oughs> มื่อเรื่องที่จะจับต้องเนื้อจอกต้องกายกันยให้เกิดราคะน่ะมันไม่มีแกพระอราหันต์เมื่อนัดแนะกันแล้วองค์สมเด็จพระสงทันบรมไสษ์สัญญาก็สรงสมด็จเข้าไปสู่ตำหนักเขาว่านางพิมพา แต่ว่าเมื่อพระนามพิมาพาทราบจากเจ้าพนักงานก่อนที่องค์สมเด็จพระพิจิตามารจ ะ, สะเสด็จไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศารสันดาษัมมาสัพพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จมาเยี่ยมก็ดีใจหายจากความโศกเศร้าเสียใจชำระร่างกายเสียแล้วได้ดีแต่ว่าการแต่งกายนี้เราทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินดาสี ยังนุ่งน้ำผาดผ้าสีน้ำผาดหมผ้าเหรียสีน้ำผาดผนันนงหน้าก็แต่งตามนั้นแล้วกโกนศีรษะเหมือนกับพระทุกท่านดูดูไปก็คล้ายกับนางพิสุณีแต่ก็ยังไม่มีเ <c oughs> มื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินสนีจะเสด็จไปให้สาวใช้จัดแจงที่สะอาดทุกอย่าง มีอะไรบ้างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยชอบใจพอใจในการก่อนเธอก็สั่งทําเพื่อองค์สมเด็จพระชินวรสทั้งหมดครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุขคิดเข้าไปแล้วนางแก้วก็เข้ามากอดขาร้องไห้เหมือนกันตามที่องค์สมเด็จพระพักควันตัดไว้ เมื่อพนางสัางจากความโศกแล้วสมเด็จพระบัทฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธตรีกาสั่งสอนพ น, นางพิมพ์ภาว่าเธอจงอย่าคิดอะไรในร่างกายและชีวิต <c oughs> พระบัณิตจะทาทุกข์ออกสู่มหาพิเนสกรมไม่กโกรธไม่ได้เกลียดเธอแต่มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าหากว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตามธรรมดาเขาบุคคลธรรมดา เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้มันจะหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์มันก็มีสภาพไม่พ้นเหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งกษัตริย์ก็ดีคนธรรมดาคนดีพันยาจกเข็นใจก็ดีมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้น ร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามลาดับในท่ำกลางและก้นไนที่สุดต่างคนก็ต่างตายเหมือนกันชีวิตแหงการเกิดกับการตายของสองเรานี้นั้นนับชาติไม่ทนล้วนแล้วแต่การเกิดมาในข้างใดก็มีความเหน็ดเหนื่อยในร่างกายเหน็ดเหนื่อยใจและก้นไนที่สุดเราก็ต้องตายกัน ถ้าว่าเราจะต้องเกิดเราจะต้องตายกันแบบนี้ตลอดไปหาที่สุดไม่ได้ขึ้นชีอว่าความสุขมันก็ไม่มีเวลานี้พี่คือแตถาคตได่เข้าถึงบทการจบเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนั่นคือโมกขธรรมได้แก่ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายต่อจานี้ไปแตถาคต ขึ้นคี้ว่าความเวียนว่ายตายเกิดในวัตตะสงสารไม่มีแดนที่จะพึงไปนั่นก็คือพระนิพพานเป็นแดนอมตะหาความตายไม่ได้และเป็นแดนที่ประกอบด้วยความสุขที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นความสุขอย่างเลิศเป็นความสุขที่มีความดังเสริฐยิ่ยงกว่าความสุขใดๆที่จะพึงหาได้ในวัตตะ ว่าต่สงสารน่ะคือการเวียนไายตายเกิดเป็นพรมกนดีเป็นเทวันดากนดีเป็นมนุษย์กนดีเรื่รองใบยภูมิไม่ต้องพุดกันว่าความสุขในความเป็นมนุษย์กนดีความสุขในความเป็นเทวันดาคนดีความสุขในความเป็นพรหมคนดียังสุขไม่เท่ากับพระนิพพาน <c oughs> ฉะนั้นขอน้องหญิงพิมพาราชเทวี อันเป็นผู้คู่บารมีของเจตถาคตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอเธอนี่นั้นจงทรงไว้เสื่องสัจจะธรรมคือความดีได้แก่ในตอนต้นนี้จงคิดถึงกฎธรรมดาว่าสิ่งสา ม, มัญรัษณะที่จะต้องเป็นไปเสมอกันถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมองดูร่างกายของเรา ร่างกายของเธอเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กแล้วก็มาตกอยู่ในวัยสาวเวลานั้นมีความสวยสดงดงามอย่างยิ่งเ <c oughs> จะหาหญิงใดมีผิวพรรณผุด่องและความสวยสดงดงามเสมอเหมือน ก, ก็แสนยากแตได้ว่าเวลานี้เราสงคนด้วยกัน ต่างคนต่างก็มีอายุกเกินกว่าสามสิบปีใกล้ยาสี่สิบปีจงมาพิจารณาที่ร่างกายนี้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยยังสวยสดงดงามมีผิวพรรณผ่องใสยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนสมัยกันก่อนหรือไม่เป็นอนุวาเวลาเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสมม า, าสัพพุทธเจ้าทรงเทศ องค์สมเด็จพระบรมโลกกเทก็สแสดงภาพของพระองค์ให้มีการเศร้ามองพระนางพิมพ์พาก็มองหน้าพระพุทธเจ้ามองทั่วทั้งพระวรกายเห็นว่าพระพระูปไปโฉมข้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรม ศ, า ศ, า ศ, าศาัสดาค่อยค่อยเหี่ยวค่อยค่อยแห้งลงมาทีละน้อยแต่น้อยก็สลดใจแล้วก็มองดูกายของเธอ วโอหนอกายของเรานี้ก่อนที่องคสมเด็จพระจินาศรีบริมสัสันาจะออกสู่มหาพิเนสกรมร่างกายของเราเป็นที่น่านิยมน่ารักน่าชื่นใจเพราะมีความผ่องใสนเสียงผ่องใสในผิวผันแล้วก็เลือดหลังนี่นั่นก็เต็มไปด้วยความอวบอัดเป็นที่น่ารัก แต่ได้ว่าระหว่างนี้ร่างกายของเราก็ดีร่างกายพระองค์สมเด็จพระจินัสสีก็ดีรู้สึกว่าเศร้าหมอไว้มากฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพายเจา้าเช่งเคยเป็นพระราชสวามีเทศนี้เป็นความจริงพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าเห็นพิมพา ย, ยอดหญิงเห็นตามความเป็นจริงตามนั้น ดังนั้นองค์สมเด็จพระพักตรวันบรมัยศาสนาสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึได้กล่าวต่อไปว่าพิมพ์พาพิมพ์ พ, มพาเราไม่แก่เราไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะแก่เท่านี้ดูหมู่พระบุญญาติผู้ใหญ่ของเราคือชั้นมาฉันโทษชั้นปู่ท่านย่าชั้นตาท่านยายที่เรารู้จักชื่อทนานหลายแต่เวลานี้ร่างกายเราตั้งอยู่ที่ไหน ในที่สุดแท่งก็ต้องตายไปหมดทุกคนเราเองที่มีความมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแก่ในแทมกลางในที่สุดเราก็จะต้องตายฉะนั้นนับตนบัตินี้เป็นต้นไปขอพึงพาน้องรักจงอย่าสนใจในร่างกายของพี่และก็จงอย่าสนใจในร่างกายของเธอ แล้วก็จะค้นใจกระร่างกายของบุคคลใดทั้งหมดควรกําหนดจิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ก็ต้องสลายตัวเพื่อทําให้กําลังใจเป็นสุขพิมพาจงนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะทั้งสามประการนี้ <c oughs> ให้ประจําใจคุ้มพิมพาราชเทวีเธอจะมีความสุข และหลังจากนั However, ่นจงปฏิบัติในสินห้าปริการให้เคร่งครัดและปฏิบัติให้เป็นอัตโนมัติคือเป็นปกติจิตนี้คิดไปว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรมโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพาน เมื่องค์สมเด็จพระพิจิาามารบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าพระนางพิมพาราชเทวีได้บรรพบุรโสนาปฏิพันธเป็นพระอาริยะบคุคคลในพระพุทธศาสนาอารมณ์แห่งความคล่องใจที่คิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนทอดทิ้งพระนางก็หมดไป กรบน้ำพระเศการองค์สมเด็จพระจอมไตรขอเข้ามาโทษในการเรื่องกล่วงเกินในกรณีทั้งปวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระพุทธอภัยให้แก่นางพระนางพิมพาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระมคคิลลาธรรมสารีบทเจีงเล็กกราบเข้ามาสู่มหาวิหารที่พระราชนิพนธ์จัดไปให้ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรื่องที่กล่าวมาทั้งสองหน้าคัดเศษคือครั้งตอนที่ต้นแล้วก็ตอนนี้เรื่องปรากฏว่าไม่มีเขียนไว้ในเรื่องพระเวชสันดอนชาดกในหนังสือเล่มที่เอามาอา่านทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้เข่งคุณจะตัดออกไปฉะนั้นมีความจำเป็นต้องนำมาเล่าไว้ในที่นี้เพื่อเรื่องที่ได้บอโทนบริบูรณ์สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเวลาพอดี ก็ต้องขอลาสาวกององสมเด็จพระจินสีก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี